ฝนะังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันพวกเราเป็นของที่มีสาระปฏิบัติธรรมก็มีสาระฝังธรรมก็มีสาระทําได้ปฏิบัติได้ก็ทําได้ปฏิบัติได้ตามธรรม ก็สม็ตได้ชีวิตยอยู่เหนือการเกิดเจรจบตายได้หรือปฏิบัติธรรมตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีจริงทำได้จริงปฏิบัติได้จริงเราทำที่พพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นของจริง และปฏิบัติได้ให้ผลได้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนต้องทำเอาเองปฏิบัติตัวเองสิ่งใดที่ผิดละเสียสิ่งใดที่ไม่ผิดน้อมมาใช้ตนเองเพื่อ สิ่งที่ผิดทำให้ถูกหรือถูกก็ทำยิ่งขึ้นก็ได้ผลตามทุกผลแจ่ผู้ปฏิบัติตามไม่มีการไม่มีเวลาเป็นสุทธิทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายคนหนุ่มคนสาวเป็นเท่าเป็นแจเป็นพระสงเป็นนกปวดจะมือภาค ในทางธรรมเป็นสากลของชีวิตอันนี้เลยว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นแจนสารเรามีอาชีพทางกิจวิญญาณทางปฏิบัติธรรม เอาไล่ชาวนาก็เป็นอาชีพทำไล่ทำนาพ่อค้าก่อค้าขายร้าชการก็ทำงา น, านก็มั่นใจทุกอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้แต่นั้นก็ยังมีสุขมีทุกข์มีการเกิด เ, เจอ็บตายแก่ เ, เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกตายเป็นทุกข์อาชีพทางนั้นไม่เลือดได้เนื้อ โดยปัจจัยมันก็ช่วยให้ความทุกข์ท้ ง, งกี่วิญญาณไม่ได้แต่ว่าศิกขาและธรรมเป็นอาชีพเนี่ยมันช่วยได้ว่าทุกข์นี่ลอะห้อยจริงจริงนะครับว่าทุกข์เลย ไม่มีเลยที่เกิดกับนกายกับใจที่เป็นทุกข์แน่นอนที่สุดแต่เราไม่มีศีลธรรมเป็นการศาึกษาวามสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมากมายเกิดจากกายกมีมากเกิดจากใจก็มีมากจะเอาข้าวไหวจิ้ก็ไม่หายจะเอาเงินมา กองไม่ก็ไม่หายต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะบำเพ็ญทางกิตการบำเพ็ญทางจิตมีสติดูกิตสติก็มีอยู่กับเรานี่แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับความกับจิตที่มันคิดขึ้นมามีสติเข้าไปรู้ไปเห็น รู้สึกเข้าไปในขณะที่มันคิดในขณะที่มันเคลื่อนไหวที่ก่เกิดเกิดขึ้นเป็นตัวสมุทัยสองขานมันมีสมุทัยมีสังขานที่เกิดจากติดจากใจเรียกว่าอาการที่เกิดกับติตกับใจแล้วก็ไปเป็นไปหลายๆอย่าง มากมายมีสติเท่านั้นที่จะแก้ไขเรื่องนี้เฉลยเรื่องนี้ได้ไม่ใช่แปลงเหตุเอาผลอันอื่นมาประกอบภัยโทกไม่มีจะเอาอื่นมาต่อรองไม่มีมีแต่สติเข้าไปเห็นได้ไปดูปฏิบัติต่อมัน แล้วก็สติก็ทำได้เฉลยได้ทุกอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นกับจิตใจคือเรว่าอาการเราจะหัดตนสอนตนฝึกต้นเรียกว่ า, า, า, ววาปฏิบัติธรรมอ่าชนะความคิดได้ก็ถือว่าชนะตัวเองชนะลูกก็ว่าได้ชนะทุกอย่างชนะอย่างกปสืด้าชนะ ตัวเองคือชีวิตจิตใจตัวสมุทัยสังขารนี่ได้เราจะนฐานะแบบไหนบางทีเพียงแต่ความคิดก็กลายเป็นทุกข์ความคิดถูกกายเป็นจุขความคิดกลายเป็นความโกรธความโลภความหลงความรักความฉังแล้วก็ไร้ใช่ ไม่ได้สอนจิตไม่ได้หัดมันเมื่อไม่หัดก็สุขสนมากโภคูลมา ก, มากวิเลศก็พันหน้าตันหาก็รอยแปดชั่วที่สุดก็ไปชั่วอบอายตายทั้งเป็นไม่มีชีวิตรับใช้อบายรับใช้พบใช่ชาติอันอื่นที่เกิดในสภาวะ สมุทัยตัณหาสังขารทั้งหลายไมไกลสมุทัยสังขารตัว น, นีน้คืออวิชชาไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอาวิชชารู้ ก, ก็รู้ไม่ถูกมันทุกข์ก็รู้อยู่แต่ยังทุกข์รูแ้แบบนั้นใช่ไหมนายเมืนโกรธก็รู้อยู่แต่ ยังโกรธนั้นคือว่าไม่รูร้เป็นอวิชชาบางทีอวดเลยหน้าก็บูดบูดยังไปอวดกันได้ยังมีวาจาที่หยาบคายให้คู้ไดยินได้ยังมีการกระทําลงไปทำให้เสียหายได้เห็นฆ่าทําน้อยทําชั่วน้อยสเร็จอย่างไม่รู้จักอายแล้วอวิชชา วิชาคือรู้เรื่องนี้จบสายดับสายหยุดเป็นวิชาสายเกิดเป็นอวิชามันอยู่กับชีวิตเรานี่เราจังต้องมีสตินี่แหละเป็นกำเนิดเกิดแห่งมารดาของวิชาไม่ไปอ่านที่ไหนได้บทเรียนจาก ก็ออจากใจเรานี้นะเปนสาละเป็นแกนฑสารเป็นประโยชน์ไม่พรีเป็นมั ก, มกเป็นผลเอานาปลูกข้า ว, าาวได้ข้าวหาเงินได้เงินเป็นพายโลกถ้าเก็บเลยเป็นไงถ้าแก่เลยเป็นไให้าตายเป็นไง มันต้องมีทำเท่านั้นที่จะใช้ได้เป็นคู่กับชีวิตได้ชีวิตเพราะอย่างนี้ไม่ใช่ได้ชีวิตคือเลือดคือเนื้ออย่างเดียวเลือดเนื้อนี่เป็นพ่วงแพที่ใช้ให้ข้ามภาคให้สำเร็จประโยชน์ไม่ใช่ล้อวันแกวันเจบ ว, ว, ว, ว, วันตายเท่านั้นไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์เราจึงม่ กายมีใจมีชีวิตสองอ่างนี้เอาเรื่องจิตวิญญาณที่เราเรื่องกายก็ก็เรียบร้อยอยู่ในระเบียบเป็นหนึ่งดงดงามเป็นชาติเป็นศิลป์ถึงพระอาัยตัวตัวเราได้เพิ่งพระอาศัยกันและกันได้อันดื่นแผ่นดินแผ่นผ้าต้นไม่อากาศแม่นะ้ะอาศัยคนมาปเปลี่ยนนี่ อาใช้ชีวิตประเภทนี้ถ้าไปมีชีวิตอย่างนี้อะไรก็อาใช้ไม่ได้เราเองชีวิตเราเองก็เใช้เราไม่ได้ไม่มันใจตัวเองจะปล่อยตัวเองทิ้งยังไงจะปล่อยตัวเองทิ้ไงไม่ค่ารเราคลื่อนเรา วิตมันต้องมีค่ากว่ายเงนินความแก่ความเจ็บป่วตายไม่มีความหมายเช่นแบบชีวิตของเรานะแบบไม่มีวิธีใดที่ต้องฝึกตนสอนตนงกจอกสติวิชากรรมฐานตามรูปแบบที่พุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ได้ตรัสรู้ด้บรรลุธรรมเป็น โลคุตละถึงโลกุตะละจากโลยะมาเป็นโลกุตะละเราก็สัมผัสได้ในธรรมที่พระองค์ทรงสอนมีสติเดี๋ยวนี้นาทีนี้วินาทีนี้สติวินาทีนี้กิดสติอยู่กับพระพุทธเจ้าสอง9รยเก้าุ้าปีอันเดียวกัน เป็นสากคนเช่นนี้ไม่มีอะไรต่อรองแล้วชีวิตเราก็มีสิทธิโอนเพอเช่ในเรื่องนี้ไม่มีใครมาห้ามได้อยู่ในที่ไหนไม่มีการมีเวลามีได้ทุกชีวิตชีวิตของเราก็มอีอาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่รู้คือชีวิตเรามันไม่เป็นอะไรอยู่แล้ว ถ้าเป็นอะไรเหมือนอยู่ตลอดเวลาไม่เหลือแล้วชีวิตเหลือแต่เราก็ไม่ค่อยให้โอกาสไม่ส่งเสริมไม่ใส่ใจให้ทำมันแคบพลายกับชีวิตที่ไม่เป็นอะไรปล่อยปละละเลยไปเอาชีวิตที่มันเป็นเป็นเป็นเป็นสุขสุทุกทุกแล้วก็เลยกบก่วนชีวิตที่ไม่เป็นอะไรไปเสียหมดเลยเลยพลาดไป ในความหลงมันก็ไม่หลงในความทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ในความหลายต่างๆตรงตกันที่มันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วนี่คือช่วยเราอยู่ทำช่วยเราอยู่แต่เราไปช่วยทำเราช่วยอาธรรมมากกว่าถามใครต่อใครหลายคนหลายชีวิ ต, วตเกิดมาถึงปูนนี้ถึงวันนี้ น้บางความรู้จักตัวที่ไม่เป็นอะไรครับภาวะที่หลงที่เป็นอะไรมากๆอะไรมันมากกว่าก่นอนต่อไปทางเดียวกันเลยว่าหลงมากกว่ารู้จักตัวจึง ป, ปล่อยตเตงโทษทิ้งไปเสียสูญเปล่าเป็นชีวิตอนัตนต์สูญยึเป็นชีวิตอนัตตาเป็นคนอนัตตาใจอนัตตาอนัตตาคือเพิ่งไปได้ สามีก็อนัตตาพันญาก็อนัตตาคนที่เป็นอนัตตาพึ่งกันมาได้มันม่นใจต้องเป็นชีวิตจริงเป็นธรรมอนัตตาปล่อยให้เป็นวัตถุสิ่ง อ, อื่นไปในชีวิตของเราเนี่ย ถ้าเอาความโกรธความโลภความหลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่ได้แต่ถ้าเาตนที่มันเป็นอุปาทานนี่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยใช่ไม่ได้เลยแต่เอาผิดผิดไปไ ป, ไปใช่ตัวกันก็นผิดไปเลยเป็นคนอื่นไปอันอื่นเอาไปใช้ เออือนเราไปใช้เราก็ใช้ม่ได้ถ้ามันมีทำอยู่ในชีวิตเราก็ใช้ได้เราก็ใช้ได้ใช่พัญญาใช่สามีมมถ้ามันมีถามีพัญญาถ้ามีสามีก็ใช้ได้ถ้ามีลูกก็ใช้ลูกได้ถ้ามีพ่อแม่ก็พ่อแม่ก็ใช้ได้ถ้าฝึกตนสอนตนสําหรับไพ่เหมาะแก่การใช้ ให้เกิดความปลอดภัยไม่มีภัยเกิดดินแผ่นป้าก็เชื่อได้อาศัยได้แต่นี่มีใครที่อาศัยเราได้ไปแล้วอาศัยเราไปได้แต่มั่นใจตัวเองอะไรมารราใช่ที่มันเป็นะธรรมก็ รับใช้ไปเลยถ้าหลงหลงไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยพอใจไม่พอใจไปกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่รู้จักถอนไม่รู้จักเปลี่ยนไม่ปฏิบัติโอกาสปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติโอกาสที่ได้ชีวิตก็ไม่เอาเลยเกิดดับเกิดดับเกิดเจ็บเจ็บตายเป็นพวกป็นชาติอยู่ ในความคิดเกิดในความคิ ด, นคนคดทุกข์ในความคิดสุขในความคิดเป็ น, ปนล่มงาในก้อนเมฆแล้วอยาได้สุขความสุขเขาอีกหนี่ความทุกข์ไล่ตามอเศัยงงก้นเม่ก็ต้องไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นกับอาการอารมณ์ การทุกข์ก็บไม่ใช่เจ้าถิน่นเจ้าถิ่นมันไม่เป็นอะไรเรียกว่าจิตเดิมแท้พิวิตเจ้าถิ่นเป็นจิตเดิมแท้มีอยู่ทุกคนว่างไม่เป็นอะไรว่างก็เต็ม เต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรว่างไปด้วยที่สิ่งที่เป็นอะไรเต็มไปด้วยความไม่เป็นอะไรได้ทั้งสองอย่างไมว่างไม่ว่าแบบอันตรพาณวางเธอจะใช่หวานแจ้ว ว่างเพื่อจะใส่น้ำดื่มว่างเพื่อจะใช้สำหรับประโยชน์มันมีแต่เดิมอยู่แล้วของเดิมนะความไม่เป็นอะไรสนะ่วนของเดิมเดมเป็นเจ้าถิน่นอาคันโต ก, กะม า, าทีหลัง ความหลงมาทีหลังความโกรธมาทีหลังความโลภความทุกข์ความรักความชังความพใจไม่พอใจมาทีหลังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาทีหลังมันมาอาศัยอวิชชาสังขารเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดที่อาศัยได้ เหสังขารเป็นวิสังขารมันก็ไม่มีที่อาศัยสังขารกลายเป็นวิสังขารเสแล้วมันก็ตดท่าวิสังขารก็คือความไม่เป็นอะไรวิสังขารคือพระนิพพานมันไม่มีอะไร มีอะไรจะมาบัญญัติให้เป็นอะไรไม่ได้สังขารคือร้อนวิสังขารคือเย็นสังขารคือเหมือนกับเห็นหนอนอยู่ในหายปล่าลหมท้งบนก็มีอยู่นะแต่มันขึ้นมาเราก็มุดลงไปวนหนูยังเห็น ตัวหนอนที่มันเป็นก้อนนะ ก, ร ก, รกรในในของในคูดไปงุอยู่เนี่ยแต่มันไม่รู้ว่ามันข้างบนมันไม่รู้มันไปมุดอยู่นั่นขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็กลัวความว่างมุดลงไปผอใจไม่พอใจชีวิตของสัตว์ทั้งหลายประเภทของอบายเป็นเช่นนั้นจออกจากความทุกข์ ข้มาแล้วเดีเอาไปอีกเขาไปจะไปเป็นสุกไปทุกโผล่อยู่นะ่ยขึ้นมาแล้วเอาันแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วหมุนอยู่เหนั้นหนระือเหมือนกับเครื่องอะไรเครื่องลมที่เขาโฆษณานะอยู่รมน้ามันเห็นไหมที่มันอุนตังอ่นน มันขยันนะสังขารเนี่ยมันขยันขยันในชีวิเราก็มาันสังขารมันขยันที่เบรดเขาเขียนไ้เหมือนช่างปั้นหม้อขยันปั้นขึ้นมาหม้อเล็กหม้อใหญ่หม้องามหม้อไม่งามแต่กันดังนั้นอันที่ว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงถึงันก็ม่ใเกิดใหญ่ ก็ไม่เหตุไปจ่ายมันจึงเป็นนั้นวิจังณ์หจุดซะง่ายง่ายเหมือนเรื่อ ง, อ, งอืนโน้มน้าเผมเงินล่ะากา็ ไว้เมนเกิดที่หาังนุมานหันุามานวิ่งไปที่ไหนไปไม่ที่ไห น, นแต่คนจะอื่นจะดับมันก็ดับมาไวเพราะหนุมานมาวิง่งแบบเดิยๆดับตรงนี้มันก็ไปเกิดดับทเกิดเมืองลังกาไปดูหลังกำมโงสัยที่นครสีธรรมราด เมงไปไหนไม่เท่านัม่งไปใหนค น, หนดึกดับกันไปตัวหนุมานต้องดับเองดับมันก็ไม่ยากเอาหางมาอมปั๊บนิดเดียวไหวก็โมดเลยเราไปทุกทษถึงนั่นโทษจะนี้ทําให้เราว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าได้นั่นเป็นทุกข์ถ้าได้นี่จะเป็นสุขถ้าไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์ถ้าได้อย่างนี่เป็นสุขเมอต่อลอง เป็นหนุมานเกิดจากเนี่ยความสิขควมทุกข์เกิดจากตัวยุดสงวิสองขัวิสังขานจุดเหมือนกับอมหางจุดง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวอาจจะยิ้มในแบบไผ่เมยแป๊บยิ้มได้เหมือนไผ่เมียิ้มได้เหมือนไผ่เมี เปลี่ยนได้ไม่บูดเพิงหน้าบูดเป็นหน้าภัยหน้ายิ้มเป็นหมดไัยมีสองหน้าคู่คู่กันมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดมีแก่ต้องมีไม่แก่มีเจ็บต้องมีไม่เจ็บมีตายต้องมีไม่ตายตรงกันบอดีเลยมาพอมกันบดีเลย ไม่อยู่ที่ไหนใกล้ๆ ก, กันไม่ใช่อยู่โน้นนี่มันอยู่ใกล้ๆนี่เห็นเดี๋ยวนี้มาเปรียพร้อมกันเมื่อมีหลงก็ต้องมีไม่หลงเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์เมื่อมีโกรธต้องมีไม่โกรธอย่าพลาดตรงนี้ทำให้ตรงนี้เดี๋แยบหายใส่ใจดีๆจะใกล้จะลัดจะสั้น ถึงวัยถึงวัยตรงปฏิบัติดี้ก็ทําทอย่างนี้ปฏิบัติตงก็ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติออกจากทุกข์ก็ปฏิบัตออกกิตอย่างนี้ปฏิบัติเป็นสาบันก็ปฏิบัติแบบ น, นี้ไม่เปลี่ยนเป็นอื่นกับตัวเองกับทุกอย่างมาล่าเป็นดีคือปฏิบัติธรรมถ้าทําอย่างนี้ ก็เป็นสังฆะเป็นหมู่สงฆ์ทุกชีวิต ท, ที่มาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่สังฆะเป็นหมู่สงฆ์กำลังปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติเป็นสถามันต่อย่างนี้จ้าหมู่สงฆ์หมูสหม่สังฆะมีระเบียบมีวิใน ช่วยจะจะมีศีลช่วยมีสมาธิมีปัญญาช่วยมีรูปแบบช่วยมีพิมพ์แล้วเบียบใ น, นเหมือนกับพิมพ์โอ้ยช่วยเราได้เราก็ชอบชอบชอบจีวรเนี่ยชอบบอดเดี๋ยนี่ชอบไม่ คนเท่าแนละ้ว <laughs> ชอบมากไม่เท่านะคนหน่จะชอบหรือเปล่าทอมแก่คนเขาก็ไม่ชอบนะอยากใ่้แบบชอบไม่เท่าชอบบาทแชงบาดดีๆตลบบาดดีๆนะตั้งไว้อุ่นใจอุ่นใจน้อยอยู่ในป่าใน ด, ดงอุ่นใจมากๆเลยบาด เห็นจีวรซื้อจีวรตามรอยพระพุทธเจ้ายิ่งเราไม่ระเบียบวินัยเยยิ่งง่ายบุกบกให้เราแล้วต้อมเลยนะวันไบวดพระใหม่โยพูดเรื่องมินทบาท เดี๋ยนี่วัดป่าสุขกโตจะผิดพลาดเรื่องไหนพระสงฆ์ตรวจด้วยว่าเป็นไวรัดตรงตับกัน <laughs> อ, อาจจะเห็นแล้วก็ไม่เคยนะเอาข้าวใส่บาตนอาหารใส่บาทฉันละไว้เหลือไว้ฉันต่อตกลงวันไม่เชื่อมั่นว่าบาทสเตนเลสจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นบาทเหล็กแน่นอนโลกลาไส้โลกไหวรัสแน่นอนสเตนเลสประเทศไทยเนี่ยจะเหมือนสเตนเลสอินเดียหรือเปล่ายิ่งข้าวสวยใส่อาหารปนอยู่ในบาทอย่างนั้นนะมันจะดีไหมชีวิตของเราบวชมาสี่สิบห้าสิบปีไม่เคยเลยนะมาเห็นมัดป่าสุกุโตทำแบบนี้รู้สึกว่าสวนทางในใจอยู่ตัะ ก็มีเดียวบางลงอาหารลงทานก็ทำอาหารให้เมื่อเดียวให้นำ อ, อาหารไปฉันเองฉันแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้จริงเราไม่เราไม่ไม่เคยทำเลยน่าจะทำอย่างนั้นเป็นอะไรกืน่นได้ไหมมีกองกันเดินได้ไหมฉันแล้วต้องล่างให้สะอาดต้องเช็ดให้แห้งตามรับเบียบนะเคยตากแต่สักหน่อยไหมบาด ท, ที่ฉันไป ก็มาด่าล่างบาดลราตอดลกบาดก็ล่างเราให้แห้งมาดมดูไม่มีกลิ่นถ้าไม่มีกลิ่นก็ตะไคร่สมัยก่อนไม่มีสันไลเหมือนทุกวันนี่นะใบตะไคร่เอามามัดเป็นไหยก้อนแก็มาล่างถูปอถูอะไแล้วก็เช็ดแห้งถ้าดมอยู่ก็ล่างมถ้าดมมันเหม็นมีกลิ่นอาหารอยู่ก็ล่างมา นแล้วก็เพืองแดดหันหน้าบาดเอาฝาบาดวางลงเอาบาดวางลงเอียงไปทางทิศตวันแสงแดดชึกสิบนาทีจึงมาเจ็บใส่ตลกเวลาฉันแล้วล่างบาดเสร็จแล้วอุ้มบาดไปนั่งปฏิบัติธรรมบางบาดข้างๆแต่แขงบาดไปข้างางนั่งสั่างาโอ้โมันงดตามนะ เดี๋ยวนี้มีใครทําบ้างไหม <laughs> หรือว่าไปเพียงไปอย่างนั้นเลยบางทีวันหนึ่งไปจับดูบาทก็ จ, จับบาทวัดภูก็ะทองน้ำยังเต็มอยู่เด้ายข้าวออกแ้ํ า, า, ายังมีในบาทเลยแน่นอนที่สุดอย่างนั้นไม่มั่นใจนะผิดวิ่งไหนผิ ด, ผดนะเบียบนะไม่ทําเลยแบบนั้นถ้าใครยังทํานั้นอยู่เลิกซ ะ, เ อ, กะเอาใหม่ซะอย่าไปทําแบบนั้นเช็ดให้แห้ง วิ น, นัยี่มันเป็นมันเป็นอนามัยนะ <c oughs> อนามัยที่ยอดเยี่ยมกว่าอนามัยเฉออยๆกัรระเบียบระรบยอาหารการเชิญเสบา่าถึงการต่างๆนี่มันครบจั ก, กรวาล น, นะไม่ใช่บางาทีบางทีเนะี่ยอุ้มบาทนะบาทไม่ใช่ทิ้วเหมือนหม้อนะ เป็นพาตักข้าวมาเราถือบาตรบันถือหม้ออย่างนี้ไม่สวยนะอุ้มใช้มือกอดใช้อกกอดอย่างนี้มืออุ้มบาทห้ามถือสิ่งของเดี๋ยวบาตจะหลุดการถือบาทประคองให้งามให้มากที่สุดตรวนั้นการรักษับบาตรใช้ก่อนกวดขันมากเพราะอะไรเพราะบาตรดินโม่ดิน พอจุดลงไปก็แตกเลยต้องขอบอสหนยต้องเป็นพระตรงปั้นหม้อต้องปั้นดินต้องทําเลยเลยขอบาดมันถ้าสุกซนก็แต ก, กวันละลูกก็ได้ใช่ไหมหลุดมือบ้างวา่าแล้วก็เจงประคองกันนะมาบาสเตนเล็ตออะไรก็จะดวกหลอกสะดวกก็เลยอ่อนเอไม่รู้จักมีระเบียบไปเลย ใช่เลยก็สะดวกน้ำใช่น้ำสายที่อยู่อาศก็สะดวกกลายเป็นคนประมาดเลยนะอ่ อ, อนแอไปเลยนะต้องเข้มแขย ง, ขงยาประมาทในความสะดวกต้องใส่ใจเรื่องที่มั น, เ ป, นเป็นอะไรต่างๆคิดเราเหมือนทํรรมราลายให้มันเสียหายถ้ามีท ร, รมัก็ดีไปบมดเลยนะ ยิ่งทากับตัวเองยิง่งงดงามเป็นศาสตรเป็นศิลปงดงามในขณะที่มันหลงม่หลงในงามเป็นศาตร์ในขณะที่มันทุกขามีงามถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีงามตรงนั้นที่เกิดขึ้นกับกายก็ใจได้แต่ได้เสริมสวยชีวิตได้ยิ้มให้ตัวเองขณะที่มัน ทุกขณะที่มันจะทุกมันไม่ทุกขาะที่มันจะโกรธมันมันโกรธสมวัที่จะโกรธจะทุกมันมทุกไม่โกรธมันเป็นศาตรเป็นศิลปมันมีชีวิตชีวายุกมือไหวตัวเองได้ถ้าไม่มีอะไรก็เป็นธรมนธรมนาธรมาธรมนาตาศีตาสาชีวิตตาศีตาสาธรรมนามนะนะแต่ถ้าเวลานั้นมนาเกิดขึ้นมาปับมันงดงา มืนมาแข่งพ่อใหญ่เสา <c oughs> จะไหมก่อนเนี่ยเคยอยู่บ้านใกล้กันที่เป็นเด็กบ้านหนอเหลือพ่อใหญ่เสาเปมาแข่งไปเปรียบกับตัวอื่นไม่ค่อยจะเงยขอตักอสเจ้าของก็จูงไปยอๆกับเอาตัวอื่นมาเปรียบเทียบ คนอื่นก็ดูหม่าตัวหนึ่งมันสง่างามต่อรองต่อรองก็เจ้าของมากก็ต่อรองร้อยหนึ่งสิบบาทพันหนึ่งร้อยบาทใช่ไหสิบสตางต่อหนึ่งสตางค์ใช่ไหมก็อจุงทอกซอกก็ไปถุงสนามแลเราพอได้ยินลูกวีทอะไ เต็นตัวใหม่ขึ้นมาเลยมันไอ้รู้ไปเลยน่มาแข่งข่อใหญ่เสาสมัยก่อนเคยมีชื่อแียงพ้อใหญ่เสาบ้านใกล้กันยีดของเราเหมือนมาแข่งข้อใหญ่เสามันตื่นขณะที่มันตหลมันรู้ขณะที่มันหลงมันทุกมันไม่ทุกขณะที่มันเก็บมันไม่ทุกขะที่มันตายมันไม่ทุกนี ขื่นใจนะเนสะอาดจนเช่นชีวิตเราตาว่าชายหาดมัน ง, งามตอนที่บังกระทบขึ้นคนไปเที่ยวชะเลเดินไปดูที่ชายหาดตอนนั้นฮีตของเสบกสิตทั้งหลายบางงามอยู่ที่ชายหาดนอนตากแดดตากแลยเพ ว, พวาะพลังชายหาดวันเห่าะทา ม, มาขึ้นมาเรือยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ หมดไปอยู่ที่ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนีลยอ่าตายหา่าที่อีกหนึ่งเป็นบ้านเก่ามีโค ด, โดเหินมีโคดปูนบึง่งก็มากก็เด็นเป็นพองมาถึงเราเลยเราอยู่บ้านพักแต่ชางหาดเียบไม่มีกระเด็นอะไรเนดะียบมากจีทจะมากระทบกันงน้มไปเลย ความชั่วเป็นความดีความผิดเป็นความถูกความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ความเกิดเป็นความไม่เกิดความเจ็บเป็นความไม่เจ็บความเจ็บความตายเป็นความตายนี่คือชีวิตงดงามปฏิบัติทำไปอย่างนี้ต้องทำได้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้วางวินาทีนี้ทําได้จันตีงดไม่เป็นอะไรในนาทีนี้ ไม่ต้องยกมือก็ว่างดอดใช่ไหมหายใจหน่อยไม่ต้องเดินจังกงก็ว่างดอดนะฮะได้ไหมหายใจเข้ามาต้องอาศัยหายใจก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเลือกการเวลาใดจะต้องยกมือจะต้องมาหายใจต้องมาเดินไม่ทันจิตไม่เป็นไรครับไปเลยอย่างนี้มันไม่ เยอะจริงๆนละยองค์เป็นมันยากกว่ากวนหลงกวนสุกกวนทุกข์มันยากกว่าไม่เหตุไม่ปัจจัยวัตถุส่วนประกอบส่วนความไม่เป็นเลยมันมีอยู่แล้วใช่เลยนะเนีเป็นของเราแต่ละนะจงพากัน ท, ทํำสิ่งที่ไม่เป็นอะไรกับชีวิตของตอนเองเป็นลางบาดเป็นฆ่าหนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่ง ยังพะเรามาอยู่ด้วยกันยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรกัน ม, มีจริงพระเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงอยู่ในชีวิตของเราทุกคนแล้วไม่ยกกันใครเลยต้ขนะวัญใจวันนี้นะกลับมพร้อมกัน